เมื่อไม่มีอะไรล่อตันหาก็พึ่งพาได้แต่ชันทะ a ละักษณะของตัญหาที่ขอยกขึ้นมาเน้นไว้อีกครั้งหนึ่งคือข้อที่ว่าตัญหาจะเป็นแรงจูงใจหรือแรงเร้าให้กระทำต่อเมื่อการกระทำนั้นเป็นเงื่อนไขให้ตัญหาได้เสพสวรสุขเวทนาลนักษณะข้อนี้สอไปถึงความเป็นไปนในทางตรงข้าม คือเมื่อจะไม่ได้เสพเสวยเวทนาอันอร่อยตัณหาก็ไม่ยอมเราหรือจูงใจให้กระทํานำซ้ำบางทีกลับจูงใจหรือเราไปในทางตรงข้ามคือจูงใจไม่ให้ทํเสะอีกทั้งที่การกระทํานั้นเป็นไปเพื่อผลดีที่พึงประสงค์ตัวอย่างเช่นเมื่อป่วยไข้ร่างกายต้องการยาสำหรับเข้าไปช่วยทำลายเชื้อโรคทาลายพิษหรือซ่อมแซมส่วนเสียหาย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 เพราะการรุกรานของโรคทำให้ไม่เกิดความหิวและไม่รู้สึกรสอร่อยในยามเช่นนั้นการมาตัญหาไม่ช่วยเลยยิ่งบางทีวิภวะตัญหาเข้าเสริมซ้ำหมดอะไรตายยากกับชีวิตเสมือนดังว่าเมื่อเสพเวทนาอร่อยไม่ได้แล้วจะอยู่ไปทำไมไม่มีความหมายเลยจูงใจไปในทางตรงข้ามจะไม่ยอมกิน ในกรณีนี้ก็ต้องใช้โยนิโสมนสิการคำนึงเหตุผลและประโยชน์ปลูกฉันทะขึ้นมาจึงมีแรงจูงใจให้กินยิ่งฉันทะแรงกล้าจิตใจก็ยิ่งเข้มแข็งโดยที่ฉันทะหนุนวิริยะและทําให้เกิดสมาธิยิ่งฉันทะแรงกล้าจิตใจก็ยิ่งเข้มแข็งจึงทําให้กินได้อย่างเต็มใจทั้งที่ฝืนตันหา บางทีคนไข่บางคนไม่ยอมใส่ใจคำนึงเหตุผลที่จะทําให้เกิดฉันทาผู้หวังดีเลยใช้วิธีเล้าภาวะตัณหาทําให้เกิดความรู้สึกกลัวตายและปกป้องตัวตนรุนแรงขึ้นก็กินได้เหมือนกันบางทีถึงกับกินยาและอาหารยังลนลานทีเดียวแต่ในกรณีที่เกิดจากแรงเล้าของภาวะตัณหานี้จิตใจจะมืดมัว หรือทุรนทุรายไม่สงบผ่องใสเหมือนยังทำด้วยฉันทะเพราะฝ่ายแรกคือภาวะตัณหามีอวิชชาห่อหุ้มแต่ฝ่ายหลังคือฉันทะเกิดจากปัญญา